7. สังฆเพทะขันทกะ 1. ปฐมพานวาลฉะสักยะ ปัปพัชชากถาว่าด้วยการบรรพชาของเจ้าสากยะหกองค์สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอนุปยานิคมของพวกมันละกษัตร ครั้งนั้นพวกสากยากุมารที่มีชื่อเสียงออกผนวดตามพระผู้มีพระภาคผู้ทรงผนวดแล้วสมัยนั้นเจ้ามหานามะสากยะและเจ้าอนุรุทธะสากยะทั้งสองเป็นพี่น้องกันเจ้าอนุรุทธะสากยะเป็นกษัตริย์ผู้สุขภูมลชาชมีปราบาทสามหลังคือ ปราสาสตร์สำหรับอยู่ในฤดูหนาวหนึ่งหลังปราศาสตร์สำหรับอยู่ในฤดูร้อนหนึ่งหลังปราศาสตร์สำหรับอยู่ในฤดูฝนหนึ่งหลังเจ้าอนุรุท ธ, ธะสากยะนั้นได้รับการบํารุงบําเรอด้วยดนตรีที่มีเหล่าสตรีล้วนขับกล่อมตลอดสเดือนในปราศาสตรฤดูฝน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 ถ้ากระไรเราหรืออนุรุท ธ, ธะควรบวชลำดับนั้นเจ้ามหานามสากยะเข้าไปหาเจ้าอนุรุทธะสักยะถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้ตรัสกับเจ้าอนุรุทธะสากยะดังนี้ว่าเวลานี้พวกสากยะกุมารที่มีชื่อเสียง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 ให้ไขน้ำเข er ้าครั้นแล้วให้ระบายน้ำออกครั้นแล้วให้ถอนหญ้าครั้นแล้วให้เกี่ยวข้าวครั้นแล้วให้ขนข้าวครั้นแล้วให้ตั้งลอมครั้นแล้วให้นวดครั้นแล้วให้สางฟางออก ครั้นแล้วฝัดข้าวรีบออกครั้นแล้วฝัดละอองออกครั้นแล้วให้ขนเก็บในฉางครั้นพอถึงฤดูฝนก็ต้องทำอย่างนี้ต่อเรื่อยไปเจ้าอนุรัติสากยะทูลถามว่าการงานไม่มีที่จบสิน้นที่สุดของการทำงานไม่ปรากฏ การงานจะสิ้นไปเมื่อไรที่สุดของการงานจะปรากฏเมื่อไรเมื่อไรเล่าที่พวกเราจักว่างจากการงานเพียบพร้อมสมบูรณ์ด้วยกามาคุณห้าบำรุงบำเร อ, อยู่เจ้ามหานามสักยะตรัสตอบว่าน้องอนุรุทธะการงานไม่มีที่จบสิ้นที่สุดของการงานไม่ปรากฏ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 เข้าไปเฝ้าพระมารดาถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กราบทูลพระมารดาดังนี้ว่าสเสด็จแม่หม่อมฉันอยากจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตสเสด็จแม่โปรดอนุญาตให้หม่อมฉันออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดเมื่อเจ้าอนุรุ ธ, ธะสากยะกราบทูลอย่างนี้พระมารดา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 แม้ครั้งที่สองพระมารดาตรัสตอบเจ้าอนุรุทธะสากยะดังนี้ว่าลูกอนุรุท ธ, ธะพวกเธอเป็นลูกสองคนเป็นที่รักที่ชอบใจของแม่เหลือเกินถึงพวกเธอจะตายไปแม่ก็ไม่ปรารถนาจะจากแล้วเหตุฉไฉนแม่จะยอมให้พวกเธอผู้ยังมีชีวิตอยู่ ออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตเล่าแม้ครั้งที่สเจ้าอนุรุทธะสักยะก็กราบทูลพระมารดาดังนี้ว่าสเสด็จแม่หม่อมฉันอยากออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตสเสด็จแม่โปรดอนุญาตให้หม่อมฉันออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิด